รัวยารินคล้าวกลินล่นกองฟาเหตตเตา่าวขึ้นอยู่ริมเท้าหญ้านามองเห็น ไม่ถึง คันเบ็ดสะขัาพร้ออยืนมีน้องนางแกมเรือนั่งเพียงตกปลาทุ่งรวงทองของเรานี้มีคุเค่ามนตรา